4. ทุตทุลละสิกขาบท117ถามทรงบัญญัติปาจิตตีแก่ภิกษุผู้รู้อยู่ปกปิดอาบัติชั่วหยาบณที่ไหนตอบทรงบัญญัตินกรุงสาวัตถีถามทรงปรารบใครตอบทรงปรารบภิกษุรูปหนึ่งถามเพราะเรื่องอะไรตอบ เพราะเรื่องที่ภิกษุรูปหนึ่งรู้อยู่ปกปิดอาบัติชั่วหยาบของภิกษุในทุตุลละสิกขาบทนั้นมีหนึ่งพระบัญญัติบรรดาสมุดฐานแห่งอาบัติหกสมุดฐานเกิดด้วยสมุดฐานหนึ่งสมุดฐานคือเกิดทางกายวาจากับจิต